ทำงานฟังกันวะเดี่ยวฟังทำงานยังเหรอแต่ตอนนี้เดี๋ยวไม่ไหวดิสงสาร คอตัวจังถึงจะหัไหขนาดไหนกรนีไปจากกายจากใจของพวกเราแดงออกมาสือกายือใจทั้งนั้นหนีแดงแบบนอกกายนอกใจเหตุใดถึงจริงแสดงอย่างนั้นก็เพราะการใจของเราเป็นตัวสำคัญเหตุทีะให้เกิดผูร้อนก็เป็นเพราะใจเหต จะใหเกิดสงบเยนก็เป็นข้อใจ่เราดูกายดูใจของเราแล้วย่งธรรมะจมาเรียนอยู่นะ้นไปไปยืนยนแสวงหาเพาธรรมะทุกคนมูอยู่รูปปรทังคอรูปลังกาเปลืของเราเป็นรูปรทนามธรรมคือสัญญาเวทนาสังขารดินแาน อย่าเวนามทำททั้งสองอย่างนี้เป็นธรรมที่มีอยู่ทุกสูทุกคนทุกหลัทุกนามไม่ว่านักบวชทุกพระอ่างนันการงารทนะการดูทำนะถ้าดูเป็นในต้องยื่นเ็มไปหาสถานที่อื่นตาราทื่เราศึกษาเราเรียนก็เป็นตาราของธรรมะ มันจะตัวธรรมะคืออาจารย์คือท่านได้ธรรมะมาสอนโลกแล้วก็จะเจ้ า, าเหมือนกันก็ได้จากกายจากใจจากโลกประทังนามธรรมในใจท่านไปหามาจากสถานที่อื่นเขาเกิเอตปัญหามานาัทุุติมันก็มีอยู่ในกายในใจนัรผลนิพพานเรามันก็ไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่กายอย่ใจของเราแต่นั่นคที่ที่ที่เจนะ้านามธรรมะ คือพิจัยนะกายใจนี้จึงมีทางผิดพิจัยนะเพื่อให้เกิดกิเลสตัญหามันก็ได้เพื่อให้มันเกิดมรรคเกิดผลก็ได้เพื่อให้เกิดกิเลสตัญหาเนั้นหมายถึงคิดเปลี่ยออกไปนอกรูปของตัวมีอยู่ก่อนจะไปดูกันดูรูปของตนอื่น เดยเยียวยุให้จิตใจส่งไปทางนอกแล้วไปชอบติดคิ่องในรูปต่างๆว่าเชื้อจดงดงานอย่างนั้นอย่างนี้ยินดีประหนัดนี่คือทางส่งออกไปทางนอกทางก่อให้เกิดทุกข์เรียกว่าสมุทัยเป็นสิ่งที่ผิดทุกข์ขึ้นให้เส่ใจทั้งตัวทางห้าพิเจอนาเป็นทางมรรคทางผล งานหยุดหนึ oh ่ง oh. นั won, data, allons, ism, time, ้นร ok. ือหุดทั้งตัเองที่เจนายเรื่องถาดขันตามแลกปลว่นเปลี่ยนแปลงของถาดขันดยทีเจนายอสุขะอทุขังตามหยื่อหม่ยงานของตายตามเป็นจริของมันจิตใจของพวกเราท่านหมดกหนดอย่างนั้นนั่ก็จะเดียนายคายกหัดเพราะความจริงมันเป็นอย่างไรจะรู้จริจริงในสิ่ง่งนั้นตามเป็นจริของมัน ในก็จะถอดแองจากความยึดมั่นถือมั่นนี่คือที่เจา้ามาเรื่องรูปเรืองขาดขันให้เป็นอาจเปนธรรมเมื่อทุกท่านเข้าใจว่าเรื่องธรรมะนั้นไม่ไอยู่ในสถานที่อื่นไม่อยู่ในกายในใจทั้งตัวแล้วกต่จนกำหนดดูกายดูไปธรรมนี้จะเกิดขึ้น ธรามะูีเกิดขึ้นจากตัวเองจากการปฏิบัติจากาจาการฝึกหัดอบรมตัวเป็นธรรมะของตัวเองถึงในแมก่กา็สาแม่ที่จะเก้ไขขับไล่้เกข์ตัณหาภายในเหตุตกออกไปส่วนธรรมะเรียงมาจากกำรับงําราะจะเรียง ม, มาโดยขนาดไหนแต่เหนื่อยสำลัาตายไปทของตัวทำไมมันไม่ก่อประโยชน์เกิดโทษ ลืมห ล, มลมรรงเพิกเฉยมมื่อเมาเส่าคิดว่าวเรามีความรู้ความฉลาดสอบด่าหนา้นทาทำตีหนา้าทำเทหน้าทำเอกนะฮะดาเรียงต่างๆใครจะมาดูหนึ่งทางไหนได้พอเราศึกษามาพอแล้วเรื่องหลักของปาสนาแต่ถ้าว่าจิตใจของตัวเองไม่เป็นอดเป็นธรรมมีแต่ จ, จัง่าจาก้ายนอก มโลภความโกรธความหลวงเคยมีอยู่อย่างไรเคยยังคงส่วนกลางอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรตกออกไปหายออกไปไม่มีอะไรสิจะมีจะวิเศษให้นี่คืออร่องการเก็บจำธรรมะเทาน้นเอกในารปฏิบัติกายปฏิบัติใจทั้งตัวถ้าปฏิบัติกายปฏิบัติใจทั้งตัวชื่อเสียอย่างไรคือตายไปทํามำใจไปพูด จิไปคิดตั้งวางเราวังมีสติตั้งนั่นรับป่าบาปการทำการพูดการคิดสิ่งที่ชั่วช้าลามกอย่างนี้ในนี้ผลมีประโยชน์อะไรจะให้ความสุกแจ่กายแก่ใจท่องตัวและคนอื่นเขาก็ไม่ชอบไม่ยินดีสิ่งที่ชั่วผีดเสียเราเองสรอาดเรื่องวัต เราทำเราสูดแล้วคิดผิดทางแล้วต่อกําหนดจิดยกคิดเข้ามาภายในสอนใจทั้งตงไม่ให้ไปทำไปสูตไปคิดในสินส่ง ท, ที่ผิดที่ช่วนั้นนี่คือการปฏิบั r. ติกายใจท่องตัวเมืม่อปฏิบัติได้ใจสดสุขใจสดสบายเกิดยินเกิดสุขคือควาสุขความย่อนยิท้องใจ ถ้าหาปฏิบัติไม่ได้กายยังทําชั่ววาจายังพูดชั่วจิตยังคิดชั่วถึงจะทําตัวให้สงบระงั บ, บทําท่าจิตวิยาสุขสมายขนาดไหนแต่เทราว่าความชั่วมันก็ยังแผกเผาเหัวใจของตัวเราเลือกนึกคิดไปเหนือใบเรื่องความชั่วสือ ท, ทาพูดคิดไป เราเองเดือดร้อนเพราะความเชื่อนั้นมันเป็นผลทำเป็นให้เดือดร้อนเหมือกนกันกับไฟไฟเนีน่ยเราต้อรักษาไปแปะต้องเขา้าไปเหยียบเขา้าไปถูกต้องที่ไหนมันก็ไม่ก่อเผาจะเป็นสมนนะนันกบวชต่อตามสร า, วาสราวาัตรต่อตามไปไม่เบียดหน้ากวา่าคนนั้นเราจะเผาคนนี้เราจะ ในเขาในเป็นดังนั้นความเชื่อที่พวกเราทําเราคือเราคิดก็เมืองกันจะเป็นฆราวารหรือเป็นนักบวชในเรืองเพศถ้าหากทางไปในทางเชื่อทางเสียแล้วคนนั้นก็เป็นเถืเป็นทุกข์เพราะสิ่นัดด้นเขาจะไม่เจ้าผมจึงสอนใหงว่าเล่นเรื่องความเชื่อต่างๆความเชื่อโดยส่วนให คืออยาคนอื่นเห็นด้วยที่ละเอียดถี่ไปตัวของตัวเองเห็นคือยังแสดงออกมาทางกายวาจาแต่มันคิดมันคุมอยู่ภายในตัวของตัวตัวของตัวก็เข้าใจทางในสติแต่ความเชื่อคืออยากมันออกมาทางกาทางวาจาคนอื่นสามารถมองเห็นได้บอกคนนั้น ทำชั่วพูดชั่วต่อนมันจะออกมาขางนอกอย่างนั้นมันก็เกิดขึ้นภายในก่อนสมั้นสติการรักษาละลึกบด้นในก่อนจะทำจะพูดจึงเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนจะเพื่องูข่ น, นที่นี้ที่จะเรมาถ้ามีสติละลึกได้ ว่าการทำของเราหนี้การพูดของเรานี้ผิดผูกดีเชื่ออย่างไรต่อตาพิจารณาหาคนอื่นเขามาทํากับเราอย่างนี้พูด ก, กับเราอย่างนี้ <c oughs> จะมีความดีใจหรือเสียใจอย่างไรหากใครคิดพิจารณาติดตาเรื่องเหล่านี้ความเชื่อที่มีอยู่เคยทำเราจะหักห้ามเอาไว้ไม่ให้ เลือดไหลออกไปสู่กาวสู่รากาท้งตัวเพราะเราไม่ชอบความเชื่ออย่างไรคนอื่นศัตรนทั่วไปก็ไม่ชอบความเชื่ออย่างนั้นเมื่อเรามีสติรักษาตัวของเรารดูก่อนจะทําจะพูดมีปัญญาแนสอนหลักความชื่อตัวทําลงไปแล้วไม่ใจคนอื่นที่ไหนใครเขาจะมารับเอาความเชื่อ คือตัวทำนั้นจะให้ผลแก่ตรงควบคุมตลอดวันตลอดเวลาจะจะช้าหรือเร็วนั้นแล้วแต่เหตุของหนักสาเหตุหนักก็ให้ผลไปตัวบังทําตาเหวนสาเหตุเบาลงไปก็ให้ผลห้าไปหน่อยก็จะให้มันหายไปจากความเชั่อนั้นหายไปมนได้ ถ้าหาไปทําไปตวจไปคิดแล้วนี่คือเรื่องท่องตาศนะสอนในเรื่องรารักษาายใจทั้งเราสิ่งที่ชั่วคื่เสียต่างๆตัวยาลาวา่าหลุกหนูอยา่าไปป้าแต่ทำในสิ่งที่ชั่อคือเสียเหมืงนนั้นมันจะให้ผลอย่าจนต้องตนเองพ้าหากเราระวังรักษา ในทำไปเดือดตายเดือดใจจ้ า, จาแล้วในคิดไปเดือดใจความเชื่อมันก็เหมืเกาะมาอาศัยในตาในใจของเราบ้า้เราจะมีความสุขความสบายเหมือ น, นตายถือในมือโรกใครจะไปสถานที่ไหนก็สะดวกสบายจะเดินจะเหินจะทนนํากิตาำงานนอะไรก็บ้า้เพราะตายในมืโรคใครใครเสกเยือดเดียนถ้าตายใมืโรคใค ร, ใคร จะไปสถานใดมันก็ไม่ะดวกจะทอะไรมันก็ทำไม่ได้ยิงโรภใครหนักเท่าไรคนนั้นก็จะมีความทุกข์ามทุกข์มากอย่างนั้นย่งแก่ย่งขาอะไรย่อด่างๆจะยกย่างก็ไม่ได้เพราะโรกมันบีดเบียนมันเจ็บมันปวดหนูอโรกใครหน่อเบียดเบียนกาย ทำให้เกิดทุกทํทำอะไรในบ้านตามกำมือมาตากนนาส่วนโลกภายในส่วโลกของใจได้จโลกยุเรศปัญหาหาเกิดขึ้นมาในจิตในใจมากมาเต็มห่งในอยรักษาในได้คนนั้นในว่าหิ้มว่าใจในว่ามากเหวี่ยงหรือทาเาว่าคนนั้นก็มีทางสหายอยากทาดี เดือตายเดือดดีเดดรายจ่ายดิดดีดืใจคิดนบ้าเพราะความเชื่อคือที่เหลือปัญหาทับถมเต็เหนือนิดปิดบังไปหมดตรงนั้นทาจิตให้ําระสสารความเชื่อย่งนั้นให้ตกออกไปจากตายายจาใจชงสมเดือดสติเดือดจันยาดืการีิพิาราความชื่อทางกายทางต่ออไรคือความพุชจริตทางตาย ควิดทงตาเสนตาหนาตีบาดห่างขาห่างแงกันฟังขากันมีความสุกความสบายเขาขาดเราเราไม่ตัดถนัดเราขาดเขาเขาก็ไม่ถนดเหมือนกันแต่นั้นเรื่องเืนทีวนทนนาา่ว่าตาหาีบาดจริงยังคงเลคงวางมาในเสียงควานี้ มันไม่หยุดไม่ดีพระพุทธเจ้ า, จาบันญบบัตผิดคนทุกคนเกิดมาจะต้องผ่ารักษาหูเดีวยวกันแล้วกลองมีออันจะอยู่จะจิ้คนเั่วไปนักคิดนึกไปอย่างนั้นเ่าห่อยไปาไปงเทาแล้วจะได้รับอะไรเปนอาหารเลยชิดนึกไปในแง่เดียวผ่าเข้ามาผ่าเราล้ว เราดีใจไหมพอใจไหมหากเราคิดถึงชีวิตของเราเทียบกับชีวิตของเขามันจะไม่เป็นปัญหาอะไรแล้วเราชอบเรายินดีในชีวิตของเราอย่างไรตัดถั่วไปมันจะยินดีในชีวิตของเขาอย่างนั้นยิ่งไม่ควรไปข่าไปทำลายเข า, ย, า, ขเขายิ่งมารุดที่มีเพดสูงจะขาดไปปีกันแล้วจะยิงไปกันใหญ่ เป็นทางทีไม่ดีในงาน <c oughs> ไม่มีมนุษย์เหล่านั้นนะคคนเราเหนึ่งเนี่รักษาศีไปานายนที่บาสเราจะไม่นมี่งรวมกันไม่ได้เห็นกันไม่ใจจะข่าวจะแจ้งกันเห็นคนเป็นผักเป็นตาไปถ้าเป็นอย่างนั้นโลกอันนี้จะเดือดร้อนรุ่บาวขนาดไหนก็พอจะข้าวกันได้ โลกผิดสุขผิดสบายเพราะทุกคนมีสีในตัวถึงจะไม่สมาทานจากพระเจ้าพระสงฆ์ต่อตามแต่ทางอยู่รัดในจิตในใจเห็นว่าตางขาดีต้ง น, นั้นมันเป็นทางในดุจใ่ดีอะไรให้แต่เราอดเอาไว้ในข่าเมีตีตั้งไปโลกก็เลยส ง, งบเย็นท่า ขาปีกันในสถานที่ใดที่นั่นเดือดร้อนวุ่นราจะอยู่เป็นผูกต้นกลินเป็นมืออยู่ยากเพราะทุกคนเห็นกันเป็นยักษ์เป็นนาไม่มีทาเมตตาระมาต่อกันหู่หมายถึงถีนขอบต้นผิดทรรมมนุษย์ถ่วไปในรับทางสุดตายสุดใจเพราะกางเหนากันใาปีกันอยู่ด้วยกัน สัมยิปรักกันพอใจในกันและกันขวามคิดสองตานาคือบาศเป็นข้อตุ่งขึ้นนาคางเป็นข้อคิดสองคือการรักการโสมนุสของคนอื่นทุกคนเข้าของที่เป็นมืออยู่จงรักษาจะเป็นของมีค่าเล็กน้อยว่าตากว่าหวงแหน ถ้าขอเอาเราให้ไม่เป็นพิษเป็นภัยแต่ถ้าทำมาขโมยเอาไปเดินตรงลองขอจัดเราละเราเสียใจถึงของนั้นจะใหญ่โตมีคุณค่ามากมายต่อตางยินของมีคุณค่าเท่าไรก็ยิ่เกิดเสียใจถึงนั้นเรารักษาสมบัตของของเราอย่างไรคนอื่นเขาเั่วไป ก็เพราะงั้นรักษาของเขาด่างนั้นหาทุก่์แล้งเราลึกถึงจิตเขาจิตเราเรารักษาไม่ทำไปในทางเสื่อมช้าเสียหายคือการรักการขโมยการข่นการขี้กันในส่วนนี้ขึ้นบ้านเมืองของเราจะสงบสุขขนาดไหนทุกวันนี้ข่นขี้จำดบดายในว่างที่ไหนในเมืองบานอกก็ได้ยุ่งดีาย แม่ใจเรียวายอยู่ในไตถุนแต่ยังเาขโมยเอาไปของในบ้านร้านครืงต่างๆเผือก็ณีว่าขโมยต่างๆถึงจังหวะผู้ตำรวจจะรักษากรมีไหวเพราะคนไม่มีไปเกลียบาัตรหรือว่าการขโมยนั้นเป็นของหยุดของดีแต่คนที่ขมยเขาหาคนอื่นไปเโมทของของเอย่างนั้น เราจะคิดอย่างไรอาจจะถ้าปีทังขึ้นถึงถึงความเรมหายตายไปบ้างถึงก็ปีสองท่านหักห้าขโมยจ้องกันม่ใช่ขมยต้องตาเลมื่อก่อนเย็เย็นเป็นสุขไม่ต้องหาตำรวจทหารนะรักษาบ้านเมืองด้วยเพราะตอนขาตันจงมีตังขโมยตันจงมีเหย่างกดไม้บ้านเมืองไม่ต้ง เขียนขึ้นวันตศูนั้งเป็นของละเอียด อ, อย่อนยิ่งก่าเรื่องขางกฎหมายตามีตัวนี้ใการสุดอถึงนี้เราก็พอสรากคันดีว่าควถมผิดี้ความนหนักหนาไม่ดูในความเดของหัวของเมียคือนักแา้เอาไปแงนอ่อรูเลือ่อย มีไปสถานที่ใดก็เถ so ื so like, h h ่งนนงไม่เพื่อนภรรยาออกจากบ้านไปสถานที่ใดก็มีกา้ผมไปเนอย่างนี้ครอบครัวนั้นจะมีความสุขความสบายใจไหมเคยได้ยินข่าวตาหน้ามเพื่อณข่ากันแจ้งกันอย่องเหล่านี้งบไม่ได้ต่มันทำจิตหักห้าเพราะทาลายใจทงกันเป็นทางที่ไม่ดีเสียหวกลย เรบคแมนกันสิ watering, ่งที่ไม่จริงวาจริงงที่ม่ดีว่าดีสินงที่ไม่ดีว่าดีสิ่งที่ไม่เป้นวาเป็นเิ่งที่ไม่เห็นว่าเห็น่งๆนี่คือเราพูดตามทางจริงคนที่โหกก็โดนจริงๆนั้นทางกฎหมายก็ยังมีตามตัดโทษตัดคุคุมขังยิ่งกหกหนักเข้าไปเท่าไรทษจหนักเข้าไปเท่านั้น เราเองจะไม่ชอบคนริดโกหกเพราะเ่ออย่างนั้นเกิด น, นั้นทำจึงรัก้าคืวาข้อคือห้าใ่มหมายถึงสิ้นของคาราวสิ้นห้าเป็นพื้นฐานของมนุษย์ทามนุษย์ไม่มีสิ้นห้านั่นเ็นแจกอะไรตับตัดตีแลาฉั น, นทำจึงให้รักษาหรืข้อคือว่าคนอยู่ธรรมดาพูดน้อยไปไม ทถานที่ใดกดช่างกดสบายหากเดินสุราจบไปแล้วตามพูดมันพูดหน้ามีมีทางละอายต่อความเชื่ออะไรเลยเมื่อเมาเกคิดไปในทางผิดบื่ยไปเพราะสุราบปากความอยากทุอย่างมันโง่ไม่มีเงินไม่มีันเป็นมีเงินหลายกรสอบโมกคุยกันไป ใหญ่โตทุกคิ่นทุกอย่างเพราะเวลาเข้าปากมันไป ต, ตันหน้าพระเล็บบอว่างเข้ากินอวดหยุดอวดดีอยางนี้อย่านี้มามาเ้าปาจนลุกมีหัวในขึ้นก็ยังชวนคนอื่นมีอย่างนั้นตายอย่างนี้ยังบออ่ะหันคือไปตีทะคนนั้นมันจะเป็นงทงานไห คือรกไม่ได้ในรูหารท้องคนเรามันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเูใหญา่หักมามาพอแล้วก็เดินไม่ถูกในพอต่อการเดินของเขาทุกสิ่งทุกอย่างมันทำสติทำปัญญาให้เสียหายไป่ทำจริงถือว่าในควรจะเจะจะติดในเรื่องเหล่านั้นทำจริงสอนีหักในห้า เพราะในจุดดวงจังนคนที่ในคือว่าเขาเกะมีชีวิตเวลาได้คนเดืนเวลาแทนที่จะมีเศิษปัญญามีวิเศษนั่นก็มีวิเศษให้เศรษฐีปัญญาเสื่อนเสียลงไปก่อท ะ, ละอเลาะว่าไม่มีความอายในใจเลยคนที่ในเครื่ันก็ทำไปได้เสื่อมเสผ้าเดินตามถนนเฮงพา หลับนอนตามกรถานผู้หนึ่งบางควรนี่คือคนเมาเอาเหน่องานอะไรม่ได้แต่จิปัญญาหดไปมยูดีๆไเป็นเวลา่เป็นอยางนั้นทำเป็นหักงาหาคนใดตั้งใจรักษาเขียคำเหาไว้ด้วยความบริสุทธิ์ใจคนนั้นแหละมีความสุขเป็นฆราวาสก็มีความสุข พอสควรเสียทงหน้าที่สมควนคามสุขของคนไม่เลยขึ้นอยู่กับการร่ำรวยอะไรขึ้นอยู่กับใจที่ประเภศปฏิบัติดีชอบทำรวยเข้าขวงเงินทางน้าตายกองเจ้าด่าน้าจักตางค์นเขาตามส์คนจี๋เขาเจ้าด่าแม่ในทางในหยุดในดีมันมีมีความสูกให้ สุกตวสุกเชือกทตาเยอะเอกว่ า, า, าหายใสความสุขขางใจทีประพฤติตามอับตามทำ ต, ตามสิ่นั้นมันสึกยงเย็นอยู่ลังขาวรจะยอยู่สถานที่ใดก็ปอดภัยเยือกเย็นคนอื่นเหวินก็เย็นตาพรกเพืขขอ่อคถึงอยู่เรื่อก็มีความเยนเพราะม่เป็นเดินเป็นไข้าห มีแต่ความล่ำเลี้ยวภายนอกแต่จิตใจหนมีศีลมีทางคนนั้นไม่มีทางสุดขั้นตัวของเขาเองก็ไม่มีทางสุดใจสมบัต ข, าขาา้าวความีทางที่เราหามาได้ถึงจะมากมายขนาดไหนถ้าหาใจเราเป็นทุกข์มันจะไม่เชื่ออะไรได้ทางพระพุทธศ า, าสนา ทำจิตสอนใหออบรมสติปัญญาอบรมธรรมะในใจท้องตัวคนที่มีธรรมะรักเชื่อมันเพนดีถึงจะมีถึงขั้นเกิดผีกตามมียังยลำบาาเย็นแต่เท่ว่าจิตใจของท่านเป็นอัตเป็นธรรมทำาเลยวุ่นวุ่นก่กวนคนอื่นให้เกิดทุกตัวท้องท่านเอง ก็มีความสุขเพราะพิจารณาแล้วตายถือธรรมไปมายาจถือผุดไปใจถือคิดไปไม่มีอะไรที่จะผิดจากอาจจากทำคำสอนสองวุธให้เจ้าทำสอนสองวุฒิเจ้าถึงจะมาขนาดไหนก็สอนตายสอนใจถึงโอนใบจะมาตัดสู้ทา่านสอนในละชื่อมความเพียรดีความจิตข ง, งตนให้ฟ่องใส ทุกอวงตายสอนอย่างนี้มาเรยสอนอยากตังโรตังโรตังหลงเป็นคนหยุดคนดีสอนห่อยสำลักภาาสังสีถือเป็นไทยอันตรายแก่ตายแก่ใจทองตัวคนที่กระเพื่อกระเพื่ตามทำสอนสอนเขพูดไเจ้ายิ่งเยอกว่าเป็นบุญบุญคือความสุขความสมายผู้ที่มีความสุขความสมายทางกายทางสุตทั้งที่กว่าเป็นบุญ ได้ของอะไรมาเป็นขงหยุดของดีเขาก็บถือเป็นบุญคนที่มีมีบุมีเยรติสมในเคยื่องเสรมอบดมคุณงามความดีอะไรเอาไใจจะเป็นสุขไม่ได้จะมีแต่ทุกข์บอร้นยินายตลอดไปเพราะคิดถึงสิ่งที่ตัวทาคำที่ตัวพูดนี่จะสิ่ที่ชั่วท่เสียต่างๆใจก็เกิดโทษเกิดทุกข์ขึ้นแผลเขา นี่คือไสนุษย์แต่คือดังทำตาที่เราเห็นไปทำเชื่อทาเสียไปฆ่าไปทำมวยเขาส่วนจีบเขาได้ของเขามาแต่เราความที่จะมีความสุขความสบายนั้นหาไม่จะไปทักไปอาศัยที่ใดก็คิดว่าจะของเขาจะตามมานอนอยู่ในบ้านในช่องโดยยินหมามันเห่ามันหอนหรือได้ยินเสียงอะไรเกลีลาด ก็อยากเจริญหน้าต่างนี้หรือเตรียมตัวต่อสู้อยู่อย่างนั้นนี่คือความร้อนควงบานแผเผาแห่เผาผีทำเชือกทำเสียนั้นได้รับผลแตจบันนังมันเป็นสุกยิ้มเป็นสุกยนเป็นสุกนี่คือคนชั่วคนทุกคนบาเราจึงควรลา้วนมควรแต่ทบําเพลิน าเอาแต่คุณงามความดีวานศีงภาวนาสูลพระพุทธเจ้าสอนเหืือเราแต่การทำในทางดีหยุดของเราบ่หยัดเย็นคิดไปในทางแต่ทาบาเพ็ญเมื่อไรใจของเราสุ่นฉื่เบิกบานตืติอิ่มใจในทางแต่ทำท่องตัวไปนี่คือบุญปู่รักษาคนในปัจจุบันทำตาใครจะว่าบาบุญไม่มีนั้น เขาจะว่าขนาไหนเขาว่าไแต่ความจริงหรือความจรไปไหนางใครว่าทาดีไม่ดีดีทําชื่อไม่เชื่อทำดีหรผลตอบแทนทชื่อลยผลประโยชน์ดีกว่าการทดีดรืภาษาใหม่ๆที่เขาพูดว่าทาดีได้ดีที่ไหนทําชื่อได้มีมีผลไป นี่้า้าเหนือทีอนี่มันมีเดื่องคำนึคำนุรถึงความจริงของศาสนาคนทีงทำเชื่อได้ดีเขาคิดว่าามเชื่อไปได้ดีเป็นคนโกงกินอย่างนั้นอย่างนี้ว่าเป็นผู้ที่ได้ยึนได้ดมีเงินมีทองมีเข่ามีของมากมายใส่กองนั้นความจริงันก็ได้เชื่อระยะเวลาสั้น าหารเขาซื้อได้หารเป็นทหารรับจางเขาก็ไล่ออกจากการจักงานทหารเป็นต่อค้าประชาชนธรรมดาเขากวจัดเุิคุ้มตัวเพไปซื้อไปกินเขาในทางสี้ชุดจิตตัวเ อ, เองกม็มีเงินดมีสมาลให้เพราะความชั่วมันเหยีบเดียนกายใจทุ่มตนถึงจะมีเ ข, าข้าขวางเงินทองมากมายตาวกองขนาดไหน หาทำเชื่วไดดีอย่างนั้นใจมันต้องสุขน่มันเลสุให้่วนทาดีไม่ได้ดีนั้นเขาเองยังไม่เคยทาความดีเพือที่ทาความดีลงไปเขาก็ะเจ้าก็ดีสาวกของพระเจ้าก็ดีหรือถ้าเจาาพระสงฆ์องค์ที่ทารักษาอัดทำคาสอนของพระเจ้าไว้ตั้งใจละเชื่อบางเพื่นดีทำมีทำสุข เป่องตอบแทนเป็นองอาวุภายนอกจะไม่เครื่บูมเหมือนาลวัเขาต่อตามใจใจท่องทำของใส่ใจทัอง่ำเยียมเยี่ยมีความสุขเปบูปกู๋เนเป็นเป็นหน้าขี้เพรพวกเราทุกคนควรแสวงหาเพราะถ้าเราเป็นสุขใจองเราเป็นบูมเป็นกู๋เนได้อะไรมากอเป็นคองดุดค่องดี มีคุณค่ายินอะไรก็อร่อยอร่อยเพราะใจของเราเยืยกใจของเราเด่นใจของเราเป็นอาจเป็นทํา